วันนี้คนจีนมาเรียนวันสุดท้ายยังเลยพรุ่งนี้เวลาเราเรียนธรรมะนะอย่าไปคิดว่าวิธีปฏิบัติมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน ที่จริงเราง่ายที่สุดเลยมันคือการเรียนรู้ตัวเองพวกเราฟังมาหลายวันละบางคนฟังมาหลายปีแล้ะถ้ารู้วิธีปฏิบัติเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองได้ไ ป, ไ, ปได้เยอะแล้วหลวงพ่อ เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังนะเราจะรู้เลยว่าจริงๆการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยง่ายๆตลงพ่อเด็กๆหลวงพ่อหัดนั่งสมาธนะิทมอานาปานาสติหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทก็นับหนึ่งพุทธโทนับสองหายใจไปเรื่อยๆว่านับไปเรื่อยๆยก็มีอารมณ์กรรามาฐานก็มี การหายใจมีพุทธโธมีการนับสามอย่างด้วยกันประกอบกันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสองนี้ยนับเนี้ยพอใจมันเริ่มสงบตอนที่หายใจเนียไม่ได้คิดว่าจะหายใจเพื่อให้จิตสงบนะไปเรียนกับท่านพ่อรีวัตสุการามท่านสอนให้ทำอานาปนสติก็ทำ ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรหายใจไปแล้วพอจิตมันเริ่มสงบ น, นการนับมันก็หายไปไม่คล้ายๆจิตเราเหมือนวัวดือด้อๆวัวมีแรงดิ้นรนมากมีเชือกมัดอยู่ทั้งสามเส้นคือลมหายใจพุทธโธแล้วก็การนับเลขพอวัวเริ่มเชื่องลงเชือกที่จะใช้มัดก็น้อยลง ก็เหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกทูใจมันไม่นับแล้วมันไม่นับของมันเองพอใจมันสงบขึ้นเนี่ยเหลือเชือกเส้นเดียวคือลมหายใจพุทโทหายไปพอใจมันสงบมากขึ้นแล้วลมหายใจมันค่อยค่อยตื้นตื้นต้นขึ้ น, น, น, นมาอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยแล้วลมหายใจเรา ง, งับไปกลายเป็นแสงสว่าง นี่จิตไปอยู่ที่แสงครั้นี้ภาวนาไม่เป็นหลวงพ่อไปดูที่แสงแล้วจิตมันเคลื่อนออกข้างนอกไปตรงนี้ผิดนะตรงนี้ผิดจิตมันวิ่งออกไปข้างนอกไปดูอะไรต่ออะไรข้างนอกไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวอยู่ช่วงหนึ่งรู้ว่าไม่ใช่ออกไปนะี่ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยเราไปรู้ไปเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร เานต่อมาก็เวลาใจมันจะเคลื่อนออกไปนะพยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวหายใจแรงขึ้นนิดหนึง่งนเะพราะใจจะรวมจะเคลิ้มไปแล้วมันจะไหลออกข้างนอกนะหายใจแรงขึ้นนิดหนึง่งกระตุ้นนัส้สติค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเลยได้นี่ภาวนาไปเรื่อยๆนะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นทำได้แต่สมาธิ ใช้เวลานั่งสมาธิอยู่เนี่ยี่สิบสองปีเดินต่อไม่ได้เพราะไม่รู้หลักหลวงพ่อลีท่านก็ตายไปแล้วสิ้นไปหลวงพ่ออายุไม่มากท่านก็สิ้นแล้วแล้วไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อนี่ก็เคยได้ยินได้ฟังองานหนังสืออะไรเงี้ยมีเจอบ้างได้ยินว่าครูบาอาจารย์วัดป่า ท่านพุทธโธแล้วพิจารณาร่างกายหลวงพ่อก็เลยหายใจไม่ได้พุทธโธแล้วหลังแค่หายใจมันก็จิตจสงบแล้วแล้วก็มาดูกายดูผมเส้นผมก็หายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกระโหลกดูหัวกระโหลกแล้งหัวก็ขาดไปเหลือแต่ตัวดูลงมาที่ตัวนี้เนะื้อหนังหายไปเหลือแต่กระดูก ดูกระตูกนะัมันระเบิดเปรี้ยงเลยกลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆอยู่ที่พื้นใสๆดูลงไปอีกมันสลายตัวเป็นแสงเงินวัต ถ, ถุธาตุเนี่ยเราแยกออกไปเลย่อยนะสุดท้ายกลายเป็นคลื่นแสงเท่านั้นสลายไปหมดเสร็จแล้วร่างกายหายไปเลอได้จิตดวงเดียวนะร่างกายไม่มีแล้วเลยแต่จิต พอใจถอยออกจากสมาธิเนี่ยขันหลวงพ่อแยกอัตโนมัติเพราะเราเคยเห็นมาแล้วว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเราภาวนาจนร่างกายหายไปแลเหลือแต่จิตเพราอนันกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเราไม่ได้แยกขันมันออกจากกันได้รูปนามแยกออกจากกันตัวนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นการแยกรูปแยกนาม ถ้าแยกจากสมาธิไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่างนี้สักพักหนึ่งมันก็แยกได้จะรู้ว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตแยกออกจากกันนี่พอแยกได้แล้วไปต่อไม่เป็นนะ่ะก็ทรงสมาธิอยู่เฉยๆจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เพราบางคนบอกว่าหลวงพ่อสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆอันนั้นเป็นการกล่าวตูไม่ใช่ความจริงหลวงพ่อไม่เคยสอนว่าให้รู้ตัวอยู่เฉยๆเพราะหลวงพ่อไปรู้ตัวอยู่เฉยๆตั้งแต่เด็กเสียเวลาไปนานมันไม่เดินปัญญาเนวันหนึ่งไฟไหม้ไฟไหม้แต่เรื่องที่ไฟไหม้ข้างบ้านเนี่ยก่อนที่หลวงพ่อไปนั่งแยกแต่นั้น ตอนนั้นสักสิบขวบได้ไฟไหม้ข้างๆบ้านเรากำลังเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นไฟไหม้แล้วก็ตกใจพอตกใจก็ลุกขึ้นมาวิ่งจะไปบอกพ่อกนะ้าวที 1, ่หนึ่งก้าวที่สองพอก้าวที่สามเนี่ยมันเหมือนเปิดสวิต์ขึ้นมาจากข้างในเลยมันเห็นความตกใจสติมันระลึกได้เองว่ามันกำลังตกใจเห็นไปที่ความรู้สึกตกใจนะ พอเห็นไปที่ความรู้สึกตกใจเท่านั้นเองความตกใจขาดสะบั้นไปนะจิตผู้รู้เนี่ยดีดผางขึ้นมาเลยเงิะนันการที่เรารู้เท่าทันจิตของตัวเองได้เนี่ยตัวผู้รู้ก็เกิดได้แต่แต่งที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะว่าจิตหนีไปคิดแล้วรู้หนีไปคิดแล้วรู้ทําให้เกิดตัวรู้ที่จริงไม่ว่าจะรู้ตัวไหนถ้ารู้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตัวรู้ก็เกิดทางนั้นแหละ แต่ส่วนใหญ่วันวันหนึ่งเราหลงไปคิดเราหลงไปคิดของหลวงพ่อนะี่ยมันคงภาวนามัแต่ชาติก่อนๆแล้วตกใจแล้วเห็นว่าตกใจนีคนส่วนใหญ่ตกใจแล้วไม่เห็นว่าตกใจเราตกใจแล้วมีแต่สติแตกเพรเราตกใจเราเกิดสติอยู่ที่การฝึกมาสะสมของอย่างนี้สะสมข้ามภพข้ามชาติกันตอนนั้นจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วมันไม่ตกใจเดินไปบอกพ่อนะแล้วก็เห็นผู้ใหญ่ตกใจ เราก็ยืนดูนะใจมัวยไปหมดไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่าตัวผู้รู้เนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็พอไปทำสมาธินะร่างกายหายไปเหลือตัวผู้รู้ก็เจอไอ้ตัวนี้อีกละ่ะสตเสร็จแล้วไปต่อไม่เป็นจงกระทั่งปีสองพันห้ารอยยี่สิบห้าขึ้นไปกราบหลวงพู ด, ดุลได้ข่าวท่านตั้งแต่ปลายปี สองสี่ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ทีแรกนึกว่าท่านสิ้นไปแล้วท่านเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟันหลวงปู่ฟั่นสิ้นไปก่อนเลยนึกว่าท่านไม่อยู่แล้วกลรูก็เลยตามไปหาท่านไปบอกท่านว่าผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ดูนหะลับตาเงียบๆนะชั่วโมงเกือบชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงประมาณสนะี่สิบกว่านาทีหลับตาเงียบ เราก็นึกว่าหลวงปู่เพิ่งฉันข้ า, าวเช้าเสร็จน่ะฉันข้าวเสร็จแล้วเราไปถามกรมาทานหลวงปู่เลยหลับไปแล้วคิ่างเงี้หมอคนอาอยุเยอะนะกินข้าวแล้วหลับไปล้วนั้นไปรู้จักไม่เคยเข้าไปหาครูวัาจันท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง ท่านถามเข้าใจไหมเรากำลังปลื้มนะท่านพูดด้วยแล้วที่ท่านหลับตามันนานนะท่านพูดด้วยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมเข้าใจครับปลื้มนะเราบอกเข้าใจจริงๆมัเข้าใจหรอกแต่ว่ามันกำลังปลืม้มเข้าใจแล้วท่านบอกเอองั้นไปทเาเมาก็ลาท่านมาขึ้นรถไฟ ลงมาโคราชจะมาแวะหาหลวงพ่อพุธไปหาหลวงพูดุลครั้งแรกก็ไปหาหลวงพ่อพุธครั้งแรกแล้วไปหาคู่ก็อย่างนี้ตลอดนันอยู่ในเส้นทางเดียวกันหลวงพ่อพุธอยู่โคราชหลวงพูดุลอยู่สุรินไปสุรินแล้วแวะโคราชก่อนจะเข้าฮงเทป พ, พอรถไปเริ่มเคลื่อนออกจากสุรินก็นึกขึ้นได้หลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้ จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้รล่งความแล้วคือไม่รู้อะไรเลยแล้วดันไปบอกท่านว่าเข้าใจแล้วท่านบอกให้ดูจิตจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้นะจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่เกี่ยวกับจิตคราวนี้ตกใจพอตกใจแล้วรถไฟก็เริ่มเคลื่อนแล้ววิ่งลงอ่ากรถก็ไม่ได้แล้วนะ รถไฟออกจากสถานีแล้วพอตกใจแล้วทํำยังไงอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัตินั่นหนึ่งเลยนะจิตหลวงพ่อมันเดินเข้าร่องที่ถูกมาเป๊ะๆ เ, เ, เลยช่วงหลังเนี่ยพอทําอะไรไม่ถูกทําสมถะไว้ก่อนนะทําสมถะไว้ก่อนจิตใจสงบแล้วเดี๋ยวเกิดสติปัญญาแก้ปัญหาได้เยิง่งนหลวงพ่อเอาตกใจนะกลับมารู้ลมหายใจเลยมาหายใจหายใจไปเรื่อย ใจก็สงบลงมาหายตกใจแล้วหายตกใจแล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้จิตต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกจิตไม่ไปอยู่ที่ต้นไม้จิตไม่ไปอยู่ที่ท้องนาเพราะั้นตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปนะเราจะเรียนรู้อยู่ในกายเนี่ยไม่ให้เกินร่างกายออกไปไม่ส่งจิตออกไปนอกกายจะเรียนอยู่ในร่างกายนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัตินะ หลักปฏิบัติข้อแรกเลยทําอะไรไม่ได้ทําสมถะไว้ก่อนหลักปฏิบัติข้อที่สองก็คือการปฏิบัติเนี่ยอย่าให้เกินกายออกไปเรียนรู้อยู่ในกายในใจของเราเนี่ยอย่าออกไปนอกนี่พอมาดูว่าจิตอยู่ในกายเนี่ยแล้วจิตอยู่ตรงไหนของกายหลวงพ่อก็ดูไปที่ผมจิตอยู่ที่ผมดูไปเรืยสมาธิเราแรงพอดูไปนะผมก็าหายไป ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยนะหรือจิตอยู่ที่ขนอยู่ที่ขนคิว้วดูลงไปขนคิ้วก็หายไปนะก็ไม่มีจิตผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออิงกระดูกเนื้อไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่อยู่ตรงไหนในร่างกายนะไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะงั้นไม่ต้องเอาจิตไปตั้งตรงไหนเลยนะจิตเป็นธรรมชาติของความรับรู้ความรู้สึก มันไม่ได้ว่ามันตั้งอยู่ที่นั่นที่นี่มันรู้สึกตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกเกิดที่ไหนจิตอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจแบบนี้นะแค่หาในร่างกายเนี่ยหาว่าจิตตั้งอยู่ตรงไหนแล้วหาไม่เจอจิตอยู่ในกายแต่ไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนก็ดูต่อไปหรือจิตตั้งอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์นะทำใจให้มีความสุขเนี่ยมีความสุขขนลูกขนพองทันทีนะเฮ้ มากไปยิ่งหนาวอยู่นอะใช่มีความสุขมีปิติดูลงไปในปิติดูในความสุขนะมันดับก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาหรือมันอยู่ในความทุกข์ความทุกข์อย่าไปกําหนดจิตให้ทุกข์ทำไม่เป็นนะะถ้าความสุขกําหนดจิตให้สุขมันเป็นนั่งใช้วิธีนั่งนั่งไม่กระดุ ก, กระดิกนั่งนิ่งๆ น, นานๆนนนนมันปวดมันเมื่อยนะนั่งดูไปเรื่อยๆ ลดไฟจะใกล้จะถึงโคราชแล้วปวดดูไปดูไปจนกระทั่งความปวดหายไปไอ้ที่เมื่อยเมื่อยนั่งแล้วเมื่อยเมื่อยอะไรนี่นะนั่งไปเถอะถึงจุดน่งมันหายเองอ่ะมันหายเองอะเพราะความเมื่อยก็ไม่เที่ยงเพราะความเมื่อยดับไปไม่เห็นจิตเลยจิตไม่ได้อยู่ที่ความสุขความทุกข์หรือจิตอยู่ในความคิดคิดอย่างนี้ต่ อ, อจิตอยู่ในความคิดนะเลยจงใจคิด จงใจคิดบทสุดมนนะพุทธโธสุดสุดโทกรุณามหันนบูพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วง ม, มหนันนบเพราะคิดเนี่ยเราเห็นกระแสของความคิดนะเลื้อยขึ้นมาเหมือนงูเลื้อยออกจากรูเลยกระแสความคิดเนี่ยเลื้อยออกมาจากกลางอกความว่างๆที่อยู่กลางอกเนี่เลื้อยขึ้นมาแล้วก็สลายไปในความว่างความคิดเกิดจากความว่างแล้วก็หายไปในความว่าง ตรงที่เห็นจิตไหลไปในความคิดเนี่ยตัวรู้ดีดผางออกมาเลยเพรนหลวงพ่อเลยรู้หลักอยู่ข้อหนึ่งนะว่าถ้าเราเข้าฌานไม่ได้ตัวรู้ไม่เกิดเนี่ยถ้าเรารู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยนะจิตรู้จะเกิดทันทีที่เรามาสอนพวกเราเนี่ยสอนมาจากการปฏิบัติทั้งนั้นเลยนะบอกว่าจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปคิดแล้วรู้นะนะั่นแหะจิตรู้จะเกิดพระหลวงพ่อเห็นนะเราบริกรรมพุทโธสุสุโธกรุณามหันต์นโมนะ ความคิดไหลเห้นมาจิตไปรู้พขปุ๊บความคิดขาดสะบั้นไปนะตัวรู้เด่นดวงขึ้นมาเลยนึกให้ไอ้ตัวนี้มันก็คือไอ้ตัวเดิมที่มาจากการนั่งสมาธิเหมือนกันแล้วก็ตัวเดียวกับไอ้ตอนที่ตกใจตอนไฟไหม้นะอ๋อนี่เองจิตคิดว่านี่เองจิตงั้นหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตเราจะคอยดูไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวรู้จะไปดูตัวรู้นะตรงนี้ผิดนะบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะจาไปผิ ด, ผด การไปจ้องใส่ตัวรู้ให้ผิดไม่ใช่การดูจิตที่ถูกนะการไปจ้องนิ่งๆอยู่ทีแรกมันไม่ไปนิ่งอยู่เป็นผู้รู้อยู่ตลอดลเดียเด๋ยวๆมันก็ไหลลงไปเกาะอารมณ์นะมัไหลลงมาจับอารมณ์ที่กลางหน้าอกเนี่ยไหลึุลงมาจับเป็นก้อนขึ้นมาหลวงพ่าเพ่งระเบิดเปลี่ยงเลยนะมันแตกนะตัวรู้ก็มาอีกเดี๋ยวก็ลงไปจับอีกเนะี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี้ย เราพยายามฝึกไปเรื่อยๆจนในที่สุดตัวรู้เนี่ยเด่นดวงอยู่รู้ทันจิตที่คิดนะั้นตัวรู้ก็เกิดแล้วเราก็รักษาตัวรู้ให้เฝ้าไว้ฝึกอยู่สามเดือนขึ้นไปนส่งกันบ้านหลวงปู่ดุลไปบอกท่านว่าหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วท่านถามดูยังไงหลวงปู่ดุลเราไปพูดเลยนะท่านไม่ต้องฟังเราท่านรู้รู้ไส่เรามากกว่าที่เรารู้ตัวเอง ไปบอกท่านว่าผมดูจิตเป็นแล้วท่านถามดูยังไงท่านไม่มีความเชื่อถือเลยก็เล่าให้ท่านฟังเนี่ยจิตมันไปจับอารมณ์นะผมแก้ได้หมดเลยตอนนี้จิตไม่จับอะไรเลยเราอยู่กับตัวผู้รู้เนี่ยหลวงปู่บอกว่านั่นไม่ใช่การดูจิตนั่นเป็นการแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปทำให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่ง งั้นลูกศิษย์หลวงปู่ดุลบางคนนะทํามาสอนบอกว่าไม่ต้องคิดทําจิตให้ว่างไม่ต้องคิดนั่นไม่ใช่คําสอนของหลวงปู่ดุลลงปู่โขกบาลหลวงพ่อมาแล้วว่าผิดนะแล้วมันก็ผิดหลักของปริยัติ ด, ด้วยวจิตมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทําให้มันผิดธรรมชาติได้ยังไงเราต้องการเรียนรู้ความจริงของมันไม่ใช่ไปบังคับมันควบคุมมันถ้าเราควบคุมมันสําเร็จเราจะเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าจิตเป็นอัตตา นะจิตเป็นตัวกูของกูกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิสิหนะลวงปู่บอกผิดนั่นไปแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปดูไหมนะไม่บอกนะว่าดูยังไงหลวงปู่ดุลครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยโหดมากเลยเวลาให้กันบ้านไม่มีการแจกแจงสั่งอย่างเดียวไปทำมันไห้ไปดูไหมนะครับครูบาอาจารย์สั่งไม่นั่งเถียงไม่โตแยงแล้ว ไม่ถามเพิ่มด้วยท่านให้ไปดูก็ดูแล้ววะกลับมาบ้านมานั่งนึกนี่ดูยังไงท่านให้ดูท่านให้ดูท่านไม่ได้ให้เราทําอะไรที่ผ่านมาสามเดือนเนี้ยเราไปนั่งปรุงแต่งจิตให้ว่างให้สงบสว่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปรักษามันไวปนี่เราไปแต่งเอาถ้าเราจะดูเราจะดูเหมือนเราดูหนังสือเนี้ยดูหนังสือนะอ่านนิยายสักเล่มนึง นิยายถึงบทรักเราก็รู้นิยายถึงบทกโกรธเราก็รู้นิยายถึงบทอิจฉาเราก็รู้ดีใจเสียใจเราก็รู้เฉะนั้นต่อไปนี้เราจะอ่านจิตตนเองเหมือนอ่านนิยายเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเฝ้ารู้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปนั่งอา่านเหมือนอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่นักแต่งหนังสือไหมคนอ่านไม่ใช่คนแต่งแล้วเราก็ไม่ใช่นักมีจารหนังสือ ด่ดีอ้นี่ดีนี่ไม่ดีอ้นี้ถูกก็นี่ผิดไม่มีคำอย่างนี้เลยมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนั่นคือการอ่านนะไม่ใช่วิจารณ์ไม่ใช่การแต่งปรุงแต่งทําตัวเป็นแค่คนอ่านคนเห็นเท่านั้นเองคราวนี้ก็มาดูจิตทํางานแล้วก็เห็นจิตใจนี่เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นสภาวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมันเปลี่ยนเพระอะไร มันเปลี่ยนเพราะมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ตาเราเห็นผู้หญิงสวยๆใจเราก็เกิดราคะขึ้นมาตาเราไปเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจเราก็เกิดกลัวเนี่ยเกิดโทสะนะหูเราได้ยินเสียงเพลงที่ชอบใจเราก็เพลิดเพลินนะมีราคะหูเราได้ยินเสียงหนวกหูเสียงหมาเห่าตอนเราจะนอนโทสะก็เกิดเนี่ยตาเห็นรูป จิตใจเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตใจเราก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสนะใจกระทบความคิดความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเราคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์นะคิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงคอยดูมันกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปพอกระทบแล้วลเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ใจมีสติรู้ทันไปเรื่อยฝึกอยู่แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรลึกลับเลย แต่ว่าหลวงพ่อสมาธิหลวงพ่อดีนะหลวงพ่อเลยไม่ต้องทำในรูปแบบไม่ได้ทำสมถาะาในช่วงนั้นนะแล้วสมาธิที่ศึกษ า, าสะสมมายสปียี่ปีนะใช้เดินปัญญารวดไปเลยได้สองปีหลังจากนั้นไม่พอแล้วเพราะนนทางที่ดีที่สุดพวกเราสมาธิยังไม่เข้มแข็งนะทำทุกวันนะแบ่งเวลาไว้ไหวพระสวดมนต์ ทำความสงบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็เอาเถอะทำทุกวันทุกวันอย่างน้อยวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก็ดีนะถ้าหวังจะได้มรรคได้ผลสิบห้านาทีนะหลวงพ่อไว้หลอกเด็กไอ้พวกที่ยังไม่เคยทำบอาสิบห้านาทีนะบอกครึ่งชั่วโมงมันนานไปเดี๋ยวมันไม่ทำนะแต่ถ้าทำได้แล้วพยายามเพิ่เมเวลาของตัวเองขึ้นตั้งแต่อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงก็ยังพอดูได้นะน้อยเกินไปยังไม่ทันจะหายฟุ้งเลยก็หมดเวลาแล้ว เยทําตอนที่หลวงผ้าภาวนาหลวงพ้าทิ้งสมาธิตัวนี้ผิดนะแต่ว่ากําลังของสมาธิที่สะสมมันแรงมันยังพอใช้มันก็เห็นจิตเกิดดับทั้งวันเลยจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกเกิดแล้วก็ดับจิตลอบจิตโกรธจิตหลงพ้นแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยดูอยู่สี่เดือนวันหนึ่งตอนเย็นเดือนกันยาปีสองห้า มันมีพายุเข้ากรุงเทพที่ยิบสามพายุเข้ากรุงเทพนะแล้วมันชอบสังเกตไหมพายุกรุงเทพเนี่ยมันชอบฝนตกตอนเลิกงานนิสัยเสียมากเลยทาให้รถติดกลับบ้านยากตอนอื่นไม่ตกนะตอนอยู่ในห้องแอร์แล้วอะไรเงี้ยไม่ตกชอบตกตอนจะกลับบ้านนะฝนมันตกพายุมันมาเลิกงานแล้วเราก็ออกจาก ที่ทำงานมาถือรอ่บมานหนึ่งนะตอนนั้นยังไม่มีรถเกง๋งฉีถือร่มนะพายุมันตีล่มพับขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยเราเอามพังแล้วเอาล่มลงมาเก็บดัดเก็บที่เดิมเปียกฝนทั้งตัวเลยนะเปียกโชกเลยแล้วเข้าไปหลบฝนอยู่ที่วัดสมนานัฐวิหารอยู่ตรงข้ามกับที่ทํางานเข้าไปหลบฝนอยู่ในกุฏิสมเด็จพระวรรณรัดทับ กุติเก่าของพระวรารัตถ์เจ้าวาดองค์แรกเป็นกุติกรรมฐานที่ท่านนั่งทํากรรมฐานเขาไปหลบอยู่ในกุตินั้นตัวก็เปียกนะนั่งกอดเข่าอยู่ตัวเปียกโชกเลยใจก็เกิดกังวลขึ้นมาเราเปียกฝนแบบเนี้เราต้องเป็นบัดแน่เลยคิดนะว่าถ้าเราเปียกฝนขนาดนี้เราคงจะเป็นวัดเดีย๋ยวต้องป่วยอีกแล้วเบือ่อ เพราะใจมันกังวลสติที่เราเคยฝึกรู้เท่าทันจิตตัวเองจนชำนาญนนะมันไปเห็นความกังวลเข้าดูปุ๊บเลยความกังวลนะ่ะขาดสะบั้นไปเลยขาดเองนะเราอย่าไปดับมันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นเนะี่ยอย่าไปดับมันให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางอจริงๆรู้เฉยๆนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางจริงมันจะเกิดดับให้ดู ถ้าเราจงใจไปดับมันเนี่ยกิเลสจะแทรกอยากไปดับมันนี่มีราคาแทรกดับมันไม่สำเร็จโทสะจะแทรกเนี่ยกิเลสจะแทรกแล้วในขณะนั้นจิตฟุ้งซ่านแน่นอนสมาธิเสียเนี่ยพอจิตเราเป็นกลางนะเราก็าแค่เห็นความกังวลใจพุทธขึ้นมาความกังวลใจดับปับ๊บฟปจิตรวมปึ๊บเลยนะรวมเองเลย ท, ทั้งที่ดูความรู้สึกที่เกิดดับเนี่ย ร่างกายนี้หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวโลกทั้งโลกก็หายไปที่กําลังมีพายุฟ้าผ่าเปรี้ยงเรียงนะหายไปหมดเลยไม่มีความรับรู้ทางร่างกายเหลืออยู่เหลือแต่ความรับรู้ทางใจนะอใจมันถอยออกจากสภาวะ น, นี้มาแล้วเราก็รู้ความจริงเลยว่าจริงๆแล้วโลกกระแทดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกระทั่งจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มี จิตก็เป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่ใจมันถึงเวลามันก็เห็นเองเพราะั้นการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องยากคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆความรู้สึกของเราเปลี่ยนเสมอเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบมากที่สุดคือกระทบทางใจในั่งคิดทั้งวันเดี๋ยวคิดดี คิดดีก็มีความสุขคิดไม่ดีก็มีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปคอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับกูสนเกิดแล้วก็ดับนะทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเนี่ยเห็นซ้าลงไปเรื่อยๆนะกี่วันกี่เดือนกี่ปีดูซ้าลงไปเรื่อยๆ แต่สำหรับพวกเราต้องแบ่งเวลาทำสมาธินะหลวงพ่อทิ้งสมาธิไปสองปีสุดท้ายก็มีปัญหาจนได้ตอนนั้นหลวงพู ด, ดูลสิ้นไปแล้วภาวนาไปผ่านไปสองปีแล้วก็วันหนึ่งก็สังเกตไปเรื่อยสองปีแล้วก็อีกปีหนึ่งกว่าๆ ก, ก็เริ่มสังเกตเห็นว่าทำไม ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี้ยเราไม่มีพัฒนาการเลยจิตสงบสุขสว่างสบายอยู่เฉยๆจิตสบายสงบสบายอยู่เฉยๆพอดีขึ้นไปกราบหลวงตา ม, มหาบัวตอนนั้นวันตาดคนยังไม่เยอะเข้าไปถึงตัวท่านไม่ยากอะไรเข้าไปกราบท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่พัฒนาเลย หลวงตาท่านมองหน้าปุ๊บท่านบอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ตัวนี้สำคัญนะพอนะท่านบอกงั้นหลวงพ่อก็ถอยออกมาจากท่านนิดหนึ่งท่านนั่งฉันข้าวไปวนั่งข้างหลังท่านแล้วก็ท่านให้บริกรรมเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธนะใจหลวงพ่อไม่ชอบพุโทโธปกติชอบลมหายใจพุโทโธพุโทโธในใจอุณา ใจอ่นอัดว่นเนี่ยเราจะพุโทโธเพื่ออะไรเนี่ยสังเกตดูโอ้ท่านให้พุโทโธท่านให้ทำสมถะนั่นแหละเพราะจิตเราไม่ถึงฐานแล้วที่ท่านบอกว่าดูไม่ถึงจิตแล้วจิตมันไม่เข้าฐานหลวงพ่อก็กลับมาทำอานาปณสติเลยนะให้ใจกรรมาฐานเดิมที่เราคุ้นเคย หายใจอยู่ไม่กีท่ทีจิตรวมลงไปจิตรวมลงไปแล้วเนี่ยแทบเข็กกั บ, บาลตัวเองเลยรู้แล้วว่าที่ผิดมาเสียเวลาเป็นปีเนี่ยพอจิตไปอยู่ข้างนอกทําไมจิตมันไหลไปอยู่ข้างนอกนะก็ดูกิเลสเกิดดับนี่แหละแต่พอสมาธิเราอ่อนถ้าสมาธิเราแข็งแรงนะจิตมันไม่เคลื่อนตามกิเลสไปพอสมาธิเราอ่อนกําลังเนี่ยกิเลสผุดขึ้นมานะสมาธิไม่พอปัญญาไม่เกิดไม่ตัด กิเลสจะสวิงสบายหนีออกไปหนีออกไปข้างนอกหนีเข้าไปข้างในก็ได้นะหนีออกไปข้างนอกก็ได้หนีเข้าข้างในมุดกลับเข้าไปในโพรงของมันใล้หนีออกไปอยู่ข้างนอกพอมันหนีออกไปข้างนอกนะเราตามต่อสู้ตามตีศัตรูถอยละเราไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เราสง่งจิตตามกิเลสออกไปอยู่ข้างนอกนะและวแล้วกิเลสไปดับอยู่ในความว่างข้างนอกเ น, นี่ยดับไปจิตเราเลยค้างอยู่ข้างนอกจิตไม่เข้าฐานจิตไม่เข้าฐาน ไปอยู่ว่างๆนั้นมีแต่ความสุขจิตมีความสุขมีความสงบมีแต่ความเบิกบานสบายไม่มีคำว่าเห็นทุกข์อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตไม่ถึงฐานจริงๆนะจิตไปอยู่ข้างนอกไม่เห็นทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์อยู่ที่กายที่ใจนี้ทุกข์ไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกทุกข์อยู่ในอากาศหรือเปล่าแต่จิตเราพาไปอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็ไม่เห็นทุกข์สิทุกข์มันอยู่ที่กายทุ่มอยู่ที่ใจจิตเราต้องอยู่ที่กายที่ใจนี่น้โอยลงกลับ หลวงตามหาบัวเลยนะท่านแก้ให้เราเราแก้สําเร็จแล้วใช้เวลานิดเดียวท่านเองที่จับหลักได้จับประเด็นได้ว่าท่านบอกดูไม่ถึงจิตนะให้ไปบริกรรมแล้วก็รู้ว่าที่ต้องบริกรรมคือทําสมถานเองแล้วก็ใช้สมถะที่เราถนัดหายใจปุ๊บจิตรวมนะที่เสียเวลาไปหลงนรู้เลยว่าจิตไปอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นจิตไปอยู่ข้างนอกใช้ไม่ได้นะจิตต้องอยู่ที่กายที่ใจ ความทุกข์เนี่ยอยู่ที่กายที่ใจในความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกอย่างความทุกข์ในร่างกายของคนอื่นเของคนอื่นความทุกข์ของเรามันอยู่ที่ตัวเรานี่นั่นจะมันบอกรู้ทุกข์ไปรู้คนโน้นทุกข์คนนี้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ของคนอื่นได้นะหมอบรรลุพระอรหันต์ ห, นหมดแล้วหมอเห็นคนไข้ทั้งวันเลยคนไข้ทุกข์ทั้งวันเห็นไหมหมอทําไมไม่บรรลุเลยเพราะหมอหมดแต่ดูคนไข้ถ้าย้อนมันดูตัวเองสินะเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะ ทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนนะพอใจสบายแล้วเนี่ยมันจะเดินปัญญาต่อได้นะแล้วก็อย่าปฏิบัติอย่าให้จิตเกินร่างกายออกไปคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจนะแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานถ้าถานาัดนดูกายก็ดูกายมันทำงานถ้าถานาัดนดูจิตก็ดูจิตมันทำงานร่างกายมันทางานได้เพราะอะไรเพราะจิตเป็นคนสั่งอา้าวสั่งให้ยกมือเนี่ย ร่างกายก็ยกมือร่างกายเคลื่อนไหวเพราะจิตสั่งมันมีเหตุทั้งสิ้นไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาลอยๆจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตก็เปลี่ยนแปลงนะเราก็มีสติรู้เห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงจุดที่มันพอนะในจุดที่มันพอมากผลจะเกิดเองมันจะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกว่าในโลกนี้ไม่มีตัวมีตนอะไรครับไม่มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาะ ให้มันรู้เคลนมาเองนะถึงจุดหนึ่งเพราะการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อสรุปการดูจิตนะจากประสบการณ์มาเล่าให้พวกเราฟังเพราะคนจีนกําลังจะกลับบ้านลนะเรียนมาหลายวันเดียวจับหลักไม่ถูกงงยังจับหลักไม่ได้ไม่ได้หลักวิชาการแต่ฟังว่าหลวงพ่อเคยทําอย่างนี้นะแล้วมันเดินตามไปใช้ได้นะเพราะสิ่งที่หลวงพ่อเดินเนี่ยมันอยู่ในหลักเป๊ะเป๊ะป๊ะเลยถึงไ ด, ด้เอาหลักมาเล่าให้ฟังได้ ตอนนี้ไปกินข้าวก่อนนินมนต์เลยครับ